วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23มกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,568 เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ธรรมะที่เราจะฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องโอกาสทองของชีวิต อะไรคือโอกาสทองของชีวิตโอกาสทองของชีวิตก็คือโอกาสที่เราจะได้พบกับมรรคผล น, ผนิพพานวิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองการที่จะมีโอกาสทองเกิดขึ้นได้จาเป็นจะต้องมี เหตุการณ์สามเหตุการณ์ด้วยกันก็คือหนึ่งการมาเกิดเป็นมนุษย์สองได้พบกับพระพุทธศาสนา 3. มมีเวลาให้กับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนี่คือเหตุปัจจัยของการมีโอกาสทองเพราะถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติธรรมเราก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้สามารถหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้วิธีการปฏิบัติ เพื่อทำให้จิตใจของเราได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือถ้าเรามาเกิดและมาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นต้นสัตว์เหล่านี้เขาก็จะไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากคำสั่งคาสอน ของพระพุทธเจ้าได้เพราะเขาไม่จะเขาไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์เขาก็เลยไม่สามารถที่จะเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ไม่สนใจถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ว่าเป็นคำสอนที่เลิศที่ประเสริฐที่จะพาให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงแม้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติไม่ให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติ การมาเกิดเป็นมนุษย์นะก า, ารได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้ยินได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาความเลื่อมใสที่อยากจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนนั้นเมื่อมีศรัทธาความเชื่อก็จะมีความภาคเพียร ความขยันเหมือนเพียรที่จะศึกษาเรียนรู้วิธีการของการดับความทุกข์ว่าจะดับความทุกข์ภายในใจได้อย่างไรและเมื่อได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็จะรู้ว่าวิธีการดับทุกข์นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อรู้แล้วก็นำมาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วมักผลนิพพาน ขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดเริ่มต้นที่ขั้นพระโสดาบันไปสู่ขั้นพระสกิดาคามีไปสู่ขั้นพระอนาคามี๊ย้่ไปสู่ขั้นพระอาหารหันต์พระนิพพา น, านตามลําดับของการปฏิบัตินี่คือโอกาสทองของชีวิต พวกเราทุกคนก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันซึ่งการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของยากอย่างยิ่งเพราะว่าหลังจากที่ตายจากการเป็นมนุษย์ไปแล้วนั้นว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อาจจะต้องใช้เวลานานนานมากเพราะว่าจะต้องไปใช้ บุญใช่บาปไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำบาปมากกว่าทาบุญก็ต้องไปรับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นหนศรกายบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้ <c oughs> หมดกำลังที่จะดึงให้ไป อยู่ในอบายถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือว่าถ้าทําบุญมากกว่าทำบาปเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเทวดาไปรับผลบุญของไปรับผลของบุญที่ได้ทําไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเทวดาเป็นเวลาอันยาวนานกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึง่ง พระพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันในวันนี้ก็อาจจะไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วอีกต่อไปพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระพุทธศาสนาของพระองค์นี้จะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันนี่ก็เข้ามาเกินครึ่งหนึ่งแล้วคือสองพันห้าร้อหสิแปดปีเวลา น, นี้เราเป็นมนุษย์ เราแต่ละวันเราก็มักจะมีการทำบุญบ้างทาบาบ้างส่วนใหญ่การทำบาปมันจะมากกว่าจะง่ายกว่าการทำบุญการทำบุญนี่จะยากกว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกฮิริโอตตะมีความละอายในการกระทำบาปมีความกลัวผลของบาปที่จะตามมา เราก็จะทำบาปกันอย่างง่ายได้แต่ถ้าเรามีเฮลิโอต ป, ปะ<ม>เราก็จะทำบาปได้ยาก<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในชีวิตของเราแต่ละวันเราก็อาจจะต้องไปเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เราพังเพลอละทาบาปได้<ม> น, นี่คือ การจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จึงไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ใช่ตายปุ๊บแล้วอีกเก้าเดือนก็จะกลับมาเกิดใหม่อาจจะเป็นอีกเก้าเ้าร้อปีเก้าันปีก็ได้ก็อาจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วการจะมาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะพระพุทธศาสนานี้นานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่ง คำว่านานนี้ก็เป็นระยะเวลาเป็นกับเป็นกันซึ่งเราไม่สามารถใช้ตัวเลขที่เรานับเลขนี้มามาบอกได้ว่ายาวนานสักเท่าไหร่แต่เป็นเวลาอันยาวนานมากนานนานสักครั้งหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกนี้สักครั้งหนึ่งแลการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ก็ไม่เหมือนกัน โมโหงก็พอได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีการสั่งสอนไม่มีการเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาได้ไม่มีพระมีพระพุทธแต่ไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมเมื่อไม่ทรงแสดงธรรมก็จะไม่มีผู้รู้จักธรรมไม่มีผู้ที่จะนเอาไปปฏิบัต เพื่อบรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคลกันได้แล้วเมื่อไม่มีพระ อ, อริยบุคคลไม่มีพระธรรมคำสอนหลังจากที่พระประเจ ก, กับพุทธเจ้าตายไปท่านก็เอาธรรมะที่ท่านได้ตัดสรู้ไปด้วยก็จะไม่มีใครรับประโยชน์จากการปรากฏขึ้นมาของพระบาเจกพุทธเจ้าพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ไม่ทรงแสดงธรรม หลังจากที่ได้ตัดสรู้ธรรมขึ้นมาแล้วนานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอาหารหันตตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้ธรรมมันประเสริฐแล้วก็นำเอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกผู้ที่มีความสนใจผู้ที่มีบารมีที่สามารถที่จะน้อมนาเอาธรรมไป ศ, รรไปศึกษาไปปฏิบัติได้ ก็สามารถบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วหลังจากนั้นก็จะได้ทำหน้าที่ช่วยเผยแผ่ก็ทาคำสอนให้กับพระพุทธเจ้าด้วยหลังจากที่พระเจ้าตายไปแล้วก็ยังมีพระาลานตรสสาวกที่ปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมารักษาพระธรรมอันประเสริฐ น, นี้มาเอามาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเรา เช่นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระโคดมนี้ก็อยู่มาได้ก็เพราะว่ามีการเผยแผ่พระธรรมโดยพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นแล้วหลังหลังจากนั้นก็มีการจดจาคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเอาไว้แล้วก็เอามาบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกพระคำพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเป็นแหล่งข้อมูลของคำสั่งคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำ ที่พูดที่จะผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดสามารถใช้เป็นแนวทางของการปฏิบัติได้ mm hmm. นอกจากมีพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้ว mm hmm. ก็ยังมีพระอริยะบุคคลที่มาบรรลุมรรคผลนิพพานกันอยู่เรื่อยๆทุกยุคทุกสมัย mm hmm. มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ ก็มีพระ อ, อริยะบุคคลเหล่านี้ที่จะมาช่วยเผยแพร่สั่งสอนว่าทำคำสอนของ พ, องพระพุทธเจ้าเพื่อให้สัตว์โลกที่ต้องการจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นกั น, นต้องมีพออาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตัดสรุปเมื่อตัดสรุปแล้วก็เอาธรรมอันเลิศอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้แก่ พูดต่อไปถ้าไม่มีการเผยแพร่ก็จะเป็นพระประเจกัพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครได้ยินได้ฟังธรรมมันประเสริฐได้เรียนรู้จากพระประเจกับพระพุทธเจ้าได้ฉนั้นการปรากฏของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละครั้งนี้จึงถือว่ายากมากการบรรลุเป็นพระประเจกัพุทธเจ้าก็ยากอยู่แล้วแต่การที่จะมาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มาก่อตั้งพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั้นก็ยิ่งเป็นของยากยิ่งขึ้นไปอีะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นโชคอันประเสริฐของสัตว์โลกที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สิ่งของของที่ยากอีกอย่างหนึง่ง คือการได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนี้อย่าไปคิดว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้เป็นของง่ายนะเพราะว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้หมายถึงการศึกษาการปฏิบัติธรรมแบบมืออาชีพ<ะ>ทําเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นหลักเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ฟังเพื่อหอหอมปากหอมคอเช่นอาทิตย์หนึ่งฟังสักครั้งหนึ่ง แล้วก็ปฏิบัติสักครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการศึกษาและการปฏิบัติอย่างแท้จริงการศึกษาและการปฏิบัติอย่างแท้จริงก็ต้องศึกษาและปฏิบัติในรูปแบบของนักบวชคือต้องออกบวชจะเป็นภิกษุภิกษุณีเป็นสมนัมมาณีสมัมมนณีรีหรืออุบาสกอุบอิก็ได้ในสมัยนี้ต้องอยู่แบบนักบวช เพราะว่าเมื่อเป็นนักบวแล้วจะได้ไม่ต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นมีภารกิจทางศาสนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ต้องทำมีทุระสองทุระคือคันถะทุระและวิปัสสนาทุระคือการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้วิธีการดับความทุกข์ต่างๆว่าจะดับได้อย่างไรแล้วเมื่อรู้แล้วก็ต้องนาเอาไปปฏิบัติต่อ เพราะว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคของร่างกายเป็นยารักษาโรคของใจพระธรรมคำสอนนี้เป็นยารักษาโรคใจโรคของใจก็กคือโรคของความทุกข์ใจนั่นเองความเศร้าโศกเสียใจความเครียดความวิตกความกังวลความหวาดกลัวความซึมเศร้าความเศร้าหมองความว้าเหว ความอะไรต่างๆที่ไม่ดีในใจนี้เรียกว่าเป็นโรคของใจใจของเราเป็นมีโรค ก, กันมีมีความทุกข์ใจไม่สบายใจกันเหมือนกับร่างกายบางครั้งบางเวลาร่างกายก็ไม่สบายใจไม่สบายร่างกายก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ต้องไปหาหมอไปหายามารักษาถ้าเป็นโรคทางร่างกายก็ไปหาหมอหายามารักษา เมื่อไปพบหมอหมอก็จะวินิจฉัยว่าเป็นอะไรแล้วก็จะให้ยามารับประทานเมืม่อเอาได้ยามาจากหมอแล้วก็ต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานไปจนกว่ายาจะหมดโรค ก, ก็จะหายได้ฉันใดโรคของใจก็เป็นเช่นเดียวกับโรคของกายเวลาเรามีความทุกข์ใจเราก็ต้องไปหาหมอทางใจ หมอทางใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ที่รู้วิธีรักษาโรคของใจว่าจะต้องใช้ยาชนิดไหนถึงจะทำให้โรคของใจนี้หายไปได้เมื่อเราไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเราไปศึกษานั่นเองไปรับยาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยาก็คือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้เรานําเอาไปปฏิบัติ เมื่อเราได้รับยาจากพระพูธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้รู้วิธีที่จะดับความทุกข์ทางใจแล้วเราก็ต้องเอายานั้นเข้ามาสู่ใจของเราการที่จะเอาธรรมะที่เป็นยาเป็นธรรมโอสถ์นี้มาเข้าสู่ของใจก็ต้องเอาเข้ามาทางใจด้วยการปฏิบัติศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติเมื่อเมื่อยาเข้าไปในใจ คือธรรมะเมื่อเข้าไปในใจได้แล้วธรรมะก็จะมารักษาโรคภัยต่างๆของใจให้หายไป<ม>ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์<ม><ม>นี่คือขบวนการของการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อรักษาโรคของทางโรคของใจให้หายไปอย่างหมดสิ้นเชิงยํามเป็นที่จะต้องออศึกษา จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาโลกของใจได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็จะไม่สามารถสอนให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เช่นถ้าไปศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตาม จะหลับจะเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ตามที่มีชื่อเสียงถ้าไปศึกษากับสถาบันเหล่านี้จะไม่ได้รู้จากวิธีที่จะนําความที่จะเอามาดับความทุกข์ของใจได้เพราะ ว, าว่าวิชาทางโลกนั้นเป็นวิชาที่สอนให้ไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถะทั้นนั้นแต่ไม่ได้สอนให้ มาดับความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นคนที่จบปริญญาเอกจากสถาบันที่เป็นติดอันดับของโลกนี้<ม>ก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ใจอยู่ยังไม่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ใจจากการที่ได้ไปเรียนศึกษาวิ ช, วชาต่างๆจากสถาบันการศึกษาต่างๆได้เพราะไม่มีสถาบันการศึกษาใดในโลกนี้ รู้จักวิธีดับความทุกข์ของใจได้มีแต่สถาบันของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่เลิศที่ประเสรศิฐสามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจของสัตว์โลกได้แต่ก็เป็นเหมือนยา ที่เราจะต้องกินกันยาที่วิเศษขนาดไหนถ้าเราไม่เอามากินโรคภัยของร่างกายที่เป็นอยู่ก็จะไม่มีวันหายได้ถ้าอยากจะให้โรคภัยที่เป็นทางร่างกายหายได้เราก็ต้องไปรับยาจากหมอมาเมื่อรับได้ยามาแล้วเราก็ต้องรับประทานเมื่อเรารับประทานแล้วยาก็เข้าไปในร่างกายได้เมือ่อเมื่อยาเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้ว ยาก็จะสามารถทําหน้าที่กําจัดความทุกข์ต่างๆได้ให้หมดไป <Yeah. S 2> นี่คือกระบวนการของการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั้นจาเป็นในเบื้องต้นจะต้องไปรับยาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับธรรมะโอสถรับคําสั่งคําสอนจากพระพุทธเจ้ามาก่อน ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่สอ ง, ส อ, งองค์ด้วยกันก็คือพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนนี้ก็เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆ1้อยเปเซนพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากาศาสดาเพราะว่าพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาแทน พระองค์ต่อไปพวเราสามารถเข้าหาพระพุทธเจ้าได้ด้วยการผ่านการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้บรรจุไว้ในพระคำพีที่ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้แบ่งเป็นสามส่วนเป็นพระพระอภิธรรมพระวินัยและก็พระสูตรอันนี้เป็นแหล่งที่เราสามารถไปศึกษาค้นคว้า หาวิธีการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ที่มีในใจของเราให้หลุดให้หมดไปได้ให้บรรลุมรรคผลนผิพพานได้อันนี้เป็นเป็นที่หนึ่งที่เราสามารถไปศึกษาไปรับยาคือธรรมโอสถมาดับความทุกข์ทางใจได้อีกที่หนึ่งก็คือพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลาย เราสามารถที่จะไปศึกษาไปเรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ของใจได้ mm hmm. เมื่อเราไปศึกษาได้เรียนรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาธรรมะนี้เข้ามาสู่ในใจของเราให้ได้เพราะถ้าธรรมะยังอยู่ภายนอกอยู่ mm hmm. ธรรมะมีอยู่สองสองแบบธรรมะที่อยู่นอกใจกับธรรมะที่อยู่ในใจ ธรรมะที่อยู่นอกใจก็คือธรรมะที่อยู่ในพระไตรปิฎกธรรมะที่อยู่ในหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆหรือธรรมะที่ได้ยินได้ฟังจากพระอาจารย์ต่างๆเหล่านี้ยังถือว่าเป็นธรรมะที่อยู่ภายนอกใจยังไม่สามารถนเมาเข้ามาดับความทุกข์ทางใจได้จ ะ, ะเอาให้ความทุกข์ทางใจดับไปได้ต้องน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี ของพระ อ, อริยสงสาวกก็ดีซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนเช่นเดียวกันเหมือนกันเพียงแต่เอามาเผยแผ่โดยพระ อ, อริยสงสาวกเท่านั้นคําสอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ดีเป็นคําสอนของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็ดีก็ล้วนเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ จะไม่มีใครรู้คำสอนเหล่านี้ได้เลยนั่นก็ถือว่าเป็นการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นการรับธรรมะโอโสถเพื่อมารักษาโรคของใจต้องเอาเข้าไปในใจให้ได้วิธีที่จะเอาธรรมะเข้าไปในใจก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติธรรมะก็ยังเข้าไปสู่ใจไม่ได้ทำนั้ในพระไตรปิฎกก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้ความ ธรรมะที่อยู่ในใจของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายของครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถนำเอาม า, ม า, มาดับความทุกข์ของใจเราได้ mm hmm. เราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ที่นำเอาธรรมะอันเลิ่อันประเสรศิฐ mm hmm. จากพระไตยปิฎกก็ดีหรือจากคำสั่งคำสอนของพระ อ, อริยสงสากก็ดี mm hmm. ให้เอาเข้ามาสู่ใจของเราให้ได้ด้วยการปฏิบัติ mm hmm. ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือปฏิบัติตลอดเวลาการปฏิบัติเพื่อที่จะให้ก่อผลนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้<ม>เพราะว่าต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ทางใจนี้เขาทำงานตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่เหตุที่สร้างความทุกข์นี้เขาทางานตลอดเวลา เขาไม่มีวันหยุดไม่มีวันพระเขาไม่มีเวลาหยุดหยุดเฉพาะเวลาที่เรานอนหลับเท่านั้นที่เขาไม่สามารถทํางานได้ซึ่งบางครั้งเขาก็ยังทํางานต่อได้เวลาเราหลับเราก็ฝันไปถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็เกิดความทุกข์ใจในขณะที่เราฝันอยู่ก็แสดงว่าแม้กระทั่งเวลาหลับนอนตอนฝันก็ยังมีความทุกข์ใจได้อยู่เพราะ ตัวที่สร้างความทุกข์ใจนี้มันไม่หยุดทํางานนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะหยุดความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปจากใจจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติแบบตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับและต้องไม่ไปทําภารกิจการงานอย่างอื่นเพราะถ้าไปทําภารกิจการงานอย่างอื่นก็เท่ากับจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองไม่ได้ควบคุมใจไม่ได้คอยรักษาใจ เวลาเราไปทำงานอย่างอื่นแทนที่เราจะรักษาใจแล้วกับเอาความทุก <c oughs> ข์ใจเข้ามาเพิ่มเติม <c oughs> ในใจของเราเพิ่มขึ้นไปเสียอีกด้วยซ้าไป <c oughs> นะดังนั้นการที่เราจะสามารถเอาความทุกข์ดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้นี่เราจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตลอดเวลา <c oughs> ถ้าไม่มี เพศใดที่จะเหมาะกับการปฏิบัติตลอดเวลาเท่ากับเพศของนักบวชเพราะเมื่อเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะมีศรัทธาผู้มีจิตศรัทธาพร้อมที่จะสนับสนุนปัจจัยสี่ได้แก่อาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งห่มกุติที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนักบวชนี้ เป็นผู้ที่ไม่ต้องมากังวลกับการท ร, รมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยแล้วเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มร้อย <c oughs> ก็จะสามารถกำจัดกิเลส <c oughs> ต้นเหตุที่มาสร้างความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปได้ <c oughs> อย่างราบคาบ <c oughs> ถ้ายังต้องไปท ร, รมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ เวลาที่จะให้กับการปฏิบัติก็จะมีน้อยลงแล้วเวลาที่จะไปะแล้วก็เอาเวลาที่น้อยลงที่บทปานี้ไปกับการสร้างต้นเหตุของความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปซิดังนั้นส่วนใหญ่ผู้ที่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้จึงมักจะเป็นนักบวชกันแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีผู้ที่ ไม่ได้เป็นนักบวชได้บรรลุธรรมก็มีเหมือนกันแต่มีน้อยบางท่านก็อาจจะมีบุญเก่าบารมีเก่ามามากถึงแม้จะเป็นคารวะผู้คลองเรือนก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา<ม>เพราะอาจจะไม่ต้องไปทำมาหากินเพราะอาจจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองติดตัวมาด้วยไม่จาเป็นต้องทำมาหากินสามารถอยู่แบบผู้ครองเรือน แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาได้เหมือนกับเป็นนักบวชก็มีในสมัยพระพุทธการจึงมีผู้บรรลุธรรมทุกเพศทุกวัยมีทั้งนักบวชมีทั้งคารวะผู้ครองเรือนมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เพศเหล่านี้ไม่ได้เป็นเป็นปัจจัยที่จะชี้บอกว่าจะบรรลุธรรมได้หรือไม่ แต่ปัจจัยที่จะทีพบอกว่าบารรลุทํามได้หรือไม่ก็คือมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติได้หรือไม่ท่านั้นเองถ้ามีเวลาถ้ามีเวลามากก็จะึกก็จะบรรลุธรรมได้เร็วถ้ามีเวลาน้อยก็จะบรรลุธรรมได้ได้ช้าแต่ก็จะได้บรรลุเหมือนกันช้าหรือเร็วไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะเมื่อได้บรรลุธรรมเดียวกันแล้วก็ถือว่า เหมือนกันหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันก่อนหลังไม่สำคัญสำคัญว่าได้หลุดพ้นแล้วหรือยังเท่านั้นถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นก็ต้องปฏิบัติต่อไปไม่หยุดหย่อนไม่หยุดหย่อนต้องทำไปเรื่อยๆทาไปจนกว่าความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจหายหมดไปหมดสิ้นไปเท่านั้นถึงจะหยุดการปฏิบัติได้หลังจากนั้นก็จะทำหน้าที่ เพื่อผู้อื่นต่อไปก็คือเอาธรรมะที่ได้ใช้ในการดับความทุกข์ใจต่างๆนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัตินี้จะได้ทำแท้เป็นของจริงพิสูน์แล้วว่าเป็นธรรมที่ดับความทุกข์ทางใจได้แต่ถ้าผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ได้ศึกษาแต่ยังไม่ได้ปฏิบัต แล้วเอาธรรมะที่ได้ศึกษานี้มาเผยแผ่สั่งสอน mm hmm. ก็ยังไม่ถือว่าเป็นธรรมแท้ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปดับความทุกข์ของใจได้หรือไม่เพราะว่าผู้สั่งสอนเองก็ยังไม่ได้เอามาใช้ดับความทุกข์ของใจของตนเองยังไม่รู้แน่ชัดว่าความรู้ที่ได้มาจากการศึกษานี้จะเอาไปดับความทุกข์ใจของผู้อื่นได้หรือไม่ mm hmm. ดังนั้นผู้ที่จะถยแพร่สั่งสอนธรรมะแก่ผู้อื่นจึงควรเอาธรรมะนี้มาสอนตัวเองก่อนเอามาดับความทุกข์ทางใจของตัวเองก่อนจะดีกว่าเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าเป็นสันทิติโกธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสันทิติโกคือเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะพิสูจน์ได้รู้ได้ว่าเป็นธรรมที่ดับความทุกข์ใจได้หรือไม่ เมื่อได้ศึกได้ปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่าทำที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี้สามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างร้อยเปอร์เซนก็เลยจะมีความมั่นใจที่จะนําเอาทำธรรมะที่ได้ใช้ในการดับความทุกข์ใจของตนนี้ไปสอนต่อต่อผู้อื่นต่อไปแต่ถ้าไม่ได้นำมามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจของต น, น ก็อาจจะมีความลังเลสงสัยว่าจําเป็นจะต้องปฏิบัติข้อนี้ไหมจําเป็นต้องปฏิบัติข้อนั้นไหมยกเว้นได้หรือเปล่าซึ่งมักจะเกิดปัญหาในวงของการศึกษาการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆบางคนก็ว่าข้ามข้อนี้ไปก็ได้ไม่จําเป็นเอาข้อนี้เลยก็ได้อันนี้เป็นการบอกแล้วว่าเป็นการไม่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้ว ธรรมะทุกข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัตินี้เป็นธรรมที่จำเป็นต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานทั้งสิน้นถ้าไม่จำเป็นแล้วพระพุทธเจ้าจเอาใจมาสอนทำไมหรือว่าถ้ายกเว้นได้พระพุทธเจ้าก็ต้องบอกไว้แล้วว่าข้อนี้ยกเว้นได้ไม่ต้องปฏิบัติข้อนี้ก็ได้แต่ไม่มีการกล่าวไว้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนคำใดอย่างใดก็เป็นคำนั้นมาตลอดนะ และผู้ที่นํามาไปปฏิบัติก็สามารถพิสูจน์ตามได้ว่าเป็นคําสอนเป็นข้อที่จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามทุกข้ อ, อ น, นี่คือการที่เราจะคิดเผยแผ่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนผู้นั้นก่อนอื่นเราต้องมาพิสูจน์ก่อนว่าคําสอนที่เราได้เรียนรู้มานี้เป็นคําสอนที่เราสามารถนํามาไปดับความทุกข์ทางใจของเราได้หรือไม่ก่อนนะ ถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์นี่เราจะไปดูรู้ได้อย่างไงว่าคําสอนเหล่านี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องหรือว่าเราสามารถที่จะยกเว้นข้อไหนได้บ้างหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทําตัวเป็นครูเป็นอาจารย์จะดีกว่าถ้าเรายังไม่ได้กําจัดความทุกข์ต่างๆของเราให้หมดสิ้นไปก่อนหน้าที่แรกครูเจ้าทรงสอนว่าให้ยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อม แล้วหลังจากนั้นแล้วค่อยไปยังประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่ก็คือคำสอนครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากโลกนี้ไปพระพุทธเจ้าทรงเตือนภาพพิษุว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมและประโยชน์ของทุกผู้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด ต้องยังประโยชน์ของตนก่อนโดยทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้ก่อนเมื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วได้มากผลนิพพานแล้วแล้วค่อยเอาไปเอาความรู้ที่ได้เอามาใช้ในการบรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนแก่ผู้อื่นต่อไปแต่ ถ, ถ้ายังไม่บรรลุอย่าพิ่งไปสอนจะดีกว่าเอาเวลานมีค่านี้มาให้กับการสั่งสอนปฏิบัติของตนเองก่อนดีกว่า ว่าเวลาของสังขารร่างกายของแต่ละคนนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะตายไปวันใดวันหนึ่งก็ได้อาจจะมีเหตุการณ์เหตุภัยต่างๆเกิดขึ้นก็ได้และซึ่งเราอาจจะไม่คาดคิดกันก็ได้อุบัติเหตุก็มีภัยทางธรรมชาติก็มีภัยทางโรคระบาดก็มีมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีพระเจา้าจึงสงจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเราผู้ที่ หลุดไฟการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ให้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้รีบทำเสียแต่เน่นๆในขณะที่ยังมีเวลาอยู่เช่นในเวลานี้ถึงแม้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ถ้าเราไม่ให้เวลากับการศึกษาให้เวลากับการปฏิบัติเราก็ยังจะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้แล้วถ้าเกิดเราต้องตายไปก่อน โอกาสอันโอกาสโอกาสทองอันที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็จะหมดไปเราก็จะคว้าน้าเหลวเกิดมาแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาเพราะไม่ได้ให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างจริงจังนั่นเองอยังมัวกังวลอยู่กับเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่ไม่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจ เรื่องที่จะก่อทุกข์ให้กับจิตใจกลับไปให้ความสําคัญกับเรื่องราวเหล่านั้นก็คือเรื่องของการหาลาบยศสรเสริญสุขนั่นเองที่ไม่มีคุณประโยชน์ในการเอามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจเลยเพราะนอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วมันเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเสียด้วยซ้ําไปเพราะโลกธรรมนั้นเป็นอยู่ภายใต้กฎของตายรักเป็นอนิจจทุกขัของอนัตตาเป็นทุกข ที่เป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาก็คือไม่ได้เป็นภายใต้อำนาจอยู่ภายใต้อำนาจของใครไม่มีใครสั่งโลกธรรม ท, ทั้งสีนี้ให้เจริญอย่างเดียวไม่ให้เสื่อมได้โลกธรรมนี้ต้องมีเจริญมีเสื่อมสลับกันไปสลับกันมาเวลาเจริญก็ให้ความสุขกับผู้ที่ไปไปแสวงหา เวลาเสือ่อมเวลาสูญเสียก็ทำให้ผู้ที่ไปแสวงหานั้นต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจโดยความทุกข์ใจตามมาอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเลยเพราะมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะต้องจบลงด้วยความทุกข์ไม่ช้า ก, ก็เร็วเวลาที่เราต้องสูญเสียราบยศสรรเสริญเสียความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไป เวลานั้นเราก็จะมีแต่ความเศร้ามีความสิ้นเศร้ามีความอาการไม่มีความสุขจนเวลาอย่างที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายนี้จะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆได้เลยตอนนั้นใจก็จะมีแต่ความทุกข์งั้นอย่าไปเสียเวลาอย่าไปหลงกับการหาสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็น หนทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่อย่างใดแต่กับเป็นหนทางที่จะลัดให้ให้ติดอยู่ในกลองทุกข์ต่อไปอย่างเป็นเวลาอันยาวนานเพราะถ้าเราไปยึดถ้าเราไปติดกับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญมันก็จะเป็นตัวที่จะคอยฉุดลากเราให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ไม่ได้ตายกับร่างกาย ที่มีความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะพุ่งไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ในภพหน้าชาติหน้าหลังจากที่ได้ไปรับผลบุญผลบาปแล้วแล้วก็พอมาเกิดก็จะพุ่งไปหาราบยศสรรเสริญสุขทันทีจะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้หรือไม่มีในโลกนี้ก็จะไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เพราะจะไม่สนใจ เพาะว่สิ่งที่อยากต้องการก็คือราบยศสริเสริญ ส, สุขท่านนั้นเองอันนี้เป็นภัยสําหรับผู้ที่ยังหลงอยู่กับการไปหาความสุขอย่างราบยศสเสริญจากรูปเสียงกยิริลดผลทพัชชนิดต่างๆอยู่ต้องต้องควรระมัดระวังควรหักห้ามจิตใจถ้าศึกษาธรรมะคําสอนของพระุทธเจ้าแระพุทธเจ้าบอกว่าโลกธรรมนี้เป็นทุกข์ทุกข์พ่อมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วครา มีกิแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลามันเสื่มเวลามันดับมันก็จะให้ความทุกข์กับผู้ที่ไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจก็อย่าไปยุ่งกับลาบยศสรรเสริญอย่าไปยุ่งกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดต่างๆให้เอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยในใจให้หมดสิ้นไปดีกว่า พระพุทธเจ้าทรงตัดสละว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจนี้เองคือยาความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้อยากรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดต่างๆอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่ทำให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้ามีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดภพ ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือและสิ่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายนี้ใจนี้ไม่มีร่างกายของตนเองใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่มีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เลยต้องมาครอบครองร่างกายเวลาที่มีการสร้างร่างกายขึ้นมาในท้องแม่เวลามีการผรสมพันธ์กันก็จะมีร่างกายอันใหม่เกิดขึ้นในท้องแม่ ใจที่เป็นดวงวิญญาณก็จะส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดที่ร่างกายของทารกที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วพอร่างกายคลอดออกมาก็จะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าพชนิดต่างๆแล้วก็ต้องไปสุขไปทุกข์กับมันสลับกันไปเวลาได้ก็มีความสุขเวลาสูญเสียไปก็มีความทุกข์แล้วขณะที่กาลัง ที่ต้องแสวงหาบางครัง้งบางคราวก็อาจจะพังเผอถูกกำนาของกิเลสตัณหาความอยากนี้ตักดันให้ไปหาโดยวิธีมิชอบโดยวิธีการกระทำบาปเช่นฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างลักทรัพย์บ้างโกหกหลอกลวงบ้างประพฤติผิดประเพณีบ้างประพฤติผิดในกรรมบ้างอันนี้ก็เป็นการสะสมบาปเข้าไปในจิตใจโดยไม่รู้สึกตัว แล้วบาปนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะดึงจิตใจให้ไปเกิดในบายต่อหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่สะสมบาปไว้มากกว่าสะสมบุญก็จะต้องไปเกิดในบายไปรับผลบาปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นนสุนลกายบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าบาปนี้จะหมดกําลังที่จะดึงใจให้อยู่ในบายถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ ถูกความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราบยศสรรเสริญผลักดันให้ไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญถึงแม้จะมาเจอกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่สนใจเหมือนกับไก่ได้พลอยไก่นี้เวลาเขาหากินเขาจะคุยค้ยคุยเขี่ยหาตัวตัวหนอนตัวไส้เดินมารับประทานเวลาไปเจอเพชรเข้าเจอพลอยเข้าเข า, เขาก็เขีย่ยทิ้งเขีย่ยทิ้งพ่ากินไม่ได้ แต่เขาไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยว่าถ้าเขาเอาไปขายไปแากนี้เขาจะได้ตัวหนอนตัวไส้เดือนมากินได้ทั้งตลอดชีวิตเลยเขาไม่รู้ถึงคุณค่าของเพชรพลอยชั้นใดมนุษย์ที่ได้มาเกิดเป็นในโลกนี้ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคําสอนก็เหมือนกับไก่ที่ได้พลอยนั่นเองจะหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนมนุษย์ที่หาลาบยศเสริญ สุขหาโลกธรรมทั้งสีนี่แหละก็คือเป็นมนุษย์ที่หาตัวหนอนตัวไส้เดือนส่วนเพชรเนินจินดาคือพระพุทธศาสนานี้ก็จะเขียทิ้งไปไม่สนใจที่จะเข้าหาพระรันตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นเพชรพลอยที่มีคุณค่าคุณค่ามาหาศาลที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาหาลาบยศสรเสริญสุขอยู่เรื่อย การกลับมาหารากยศเสริญสุขแต่ละครั้งก็ต้องมาต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายทุกครั้งไปเพราะว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดแล้วต่อไปก็ต้องแก่ต่อไปก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปก็ต้องตายเวลาที่แก่เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาจะตายนี uh <man <man ้มันจะเจอกับความทุกข์อย่างยิ่งไม่มีใครอยากแก่ยึงไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกัน ไม่มีใครอยากจะตายกันแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่พระพุทธเจ้าทรงเ ห, เห็นเหตุว่าที่การที่เราจะไม่กลับมาเกิดได้นี้เราจําเป็นที่จะต้องหยุดความอยากให้ได้หยุดความอยากที่จะเสบลาบยศสรรเสริญเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้เพราะองค์ก็เลยสละราชสมบัติตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ องตอนนั้นก็ยังอยู่ยังอยู่กับการเสพรากยศสเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะอยู่แต่รู้ว่าการเสพเหล่านี้จะทําให้จิตใจนี้ต้องมาติดกับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจสละราชสมบัติการสละราชสมบัตินี้ก็เรียกว่าทางทางศาสนาแล้วเรียกว่าเป็นการทําทานเกณนสละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองไปทรัพย์สมบัติเงินทองนี้เป็นเครื่องมือของการก่อภพก่อชาติ มากกว่าเป็นการเป็นเครื่องมือต่อการตัดภบตัดชาติตัดความทุกข์ต่างๆเงินทองนี่แหละเป็นที่มาเป็นตัวที่จะต่อให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเรามีเงินทองเราก็ยะเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากของเราอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่ก็ต้องมีเงินทองพอมีเงินทองเงินทองก็เลยเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้มีความอยากเพิ่มขึ้นอยู่ในใจเรื่อยๆ ความอยากมีเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่การกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเบื้องต้นก็ต้องตัดการใช้เงินทองไปก่อนอย่างพระพุทธเจ้าก็สะละราชสมบัติเจ้าชายศิท ธ, ธะสะละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่แบบขอทานต้องไปหากินด้วยการขอทานบิณฑบาตผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ไปเก็บผ้าห่อศพมาใช้ แต่หมายพระพุทธเจ้านี่ไม่มีการถวายผ้าจีวรมีแต่ผ้าป่าคือผ้าป่าหมายถึงผ้าที่อยู่ในป่าช้าเนี่ย เ, เขาเรียกว่าผ้าป่าสมัยก่อนเขาจะหอ่อศพเวลาคนตายเขาจะาผ้าขาวนี่ไปหอ่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้าให้ร่างกายมันเน่าเปื่อยไปพอมันเน่าเปื่อยไปเหลือแต่กระดูกผ้าก็ก็เป็นสิ่งที่ใครอยากจะใช้ก็สามารถหยิบเอาไปใช้ได้นักบวชสมัยนั้นก็ จะไปเก็บผ้าในป่าช้าที่เราเรียกว่าผ้าบางสกุลมาทําผ้าจีวรมาทําผ้าสัมลองผ้าจีวรผ้าเครื่องนุ่งห่มเอามาซักเอามาย้อมเอามาตัดเอามเย็บเป็นนักบวชนี้ไม่ต้องใช้เงินหาหาเงินหากินด้วยการขออาหารอาหารด้วยการบินธบาตเสื้อผ้าก็ไปเก็บผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามร่มไม้อยู่ตาม เงื่อนผาอยู่ตามถ้าอยู่ตามที่พอที่จะหลบแดดหลบฝนได้ลลไดแล้วยารักษาโรค ก, ก็ใช้ยาดองน้ําปัสสวะเอาผลไม้มาดองกับน้ําปัสสวะเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มยาดองนี้รักษากันไปนี่คือการอยู่แบบนักบวชของพระพุทธเจ้าของพระของเจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่เห็นโทษของการมีทรัพย์มีเงินมีทองว่า เป็นผู้ที่จะมาสนับสนุนการก่อพบก่อชาติก่อความเกิดแก่เจ็บตายให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องตัดมันเลิกใช้เงินทองไปหาความสุขซื้อความสุขต่างๆแล้วก็มาบวชเป็นพระมันเป็นนักบวช ด, ด้วยการถือศีลของนักบวชก็คือมีการละเว้นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆละเว้นจากการร่วมหลับนอนร่วมเพศกันละเว้นจากการหาความสุขจากการรับประทานอาหาร ให้รับประทานอาหารได้ไม่มากเกินเที่ยงวันไปไม่ให้มากกว่าหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ให้รับประทานาหารไม่ให้หาความสุขจากการไปดูมห ah ัศลพบันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรด้วยน้ํามันน้ําหอมด้วยเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปโดยไม่นอนบนเตียงที่มีผูกหนาๆที่สุขที่สบายให้นอนบนพื้นแข็ง เพื่อที่จะได้นอนไม่มากนอนสี่ห้าชั่วโมงร่างกายก็จะตื่นขึ้นมาพออยู่พอนอนบนพื้นแข็งๆมันก็จะไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆนะมันก็อยากจะนอนต่อมันก็จะเสียเวลาให้กับการหลับนอนไปต้องการเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดมาหยุดความอยากให้ได้การที่จะหยุดความอยากได้ก็คือหลังจากใช้ศีลห้ามห้ามความอยากแล้วก็ยัง ความอยากก็ยังไม่ตายเพียงแต่ปลามันไว้ป้องกันไม่ให้มันขยายตัวออกไปศีลเป็นเหมือนรั้วกัน้นรั้วกั้นความอยากให้มันอยู่ในกรอบของรั้วก็คือกรอบของนักบวชนักบวชไม่ไม่ร่วมเพศจับใครนักบวชไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันแล้วนักบวชไม่ดูหมอสม บ, บันเทิงต่างๆไม่เสริมสวยความงามของร่างกายไม่นอนมากจนเกินไปหลังจากนอกจากนั้นแล้วยังต้องมา หยุดความอยากด้วยการใช้การเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบเพราะเวลาที่ใจนิ่งใจสงบได้นี้ความอยากก็จะหยุดตัวไปชั่วข่าวเพราะความอยากนี้ต้องอาศัยการการทางานของใจก็คือความคิดต่างๆถ้าใจไม่คิดความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่พอใจคิดถึงรูปปัความอยากจะดูรูปก็เกิดขึ้นมาทันทีพอคิดถึงเสียงความอยากจะได้ได้ฟังเสียงก็จะเกิดขึ้นมาทันที แต่ถ้าไม่คิดไม่คิดถึงรูปไม่คิดถึงเสียงความอยากที่จะไปเสบรูปสัมผัสกับเสียงก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาไม่มีความอยากใจก็นิ่งสงบมีความสุขแล้วก็จะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสบสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการฝึกสมาธินี้ก็เพื่อให้เราได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบของใจความนิ่งสงบของใจ ด้วยการเจริญสติควบคุมใจควบคุมความคิดไม่ให้คิดปุงแต่งเช่นใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้เป็นวิธีการเจริญสติสร้างสติขึ้นมาถ้าเรามีพุทโธเราก็สามารถที่จะยับยั้งหยุดความคิดความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเราเผลอไม่มีพุทโธเดี๋ยวความคิดความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาต้องพยายามพยายามปฏิบัติสติตลอดเวลาเพราะว่า ความคิดความอยากนี่มันทำงานตลอดเวลาพอเราตื่นขึ้นมานี่ก็เริ่มคิดเริ่มอยากแนละ้วนั้นพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องใช้พุโทโธมาหยุดความคิดความอยากทันทีพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทำอะไรที่จาเป็นเช่นอาบน้ำนั่งหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็มีพุโทโธควบคุมอยู่ทาความสะอาดสถานที่ปฏิบัติรับประทานอาหารก็มีพุโทโธอยู่ตลอดเวลา ถ้าพอว่างจากภารกิจก็มาเดินจงกรมก็ใช้พุโทโธพุโทโธเพราะถ้ากินอาหารเสร็จใหม่ๆไปนั่งนั่งสมาธิมันจะนั่งหลับเพราะเวลานั่งหนังท้องตึงแล้วหนังตามันจะหย่อนสังเกตดูเวลากินอาหารอิ่มๆนี่เวลาจะมานั่งสมาธิหรือจะมาไหว้พระสวดมนต์ น, นี่จะสับประกจะนอนหลับนั้น วิธีจะปฏิบัติในช่วงหลังจากรับประทานอาหารเพื่อไม่ให้หลับก็คือวิธีเดินจงกรมแทนเรียกว่าเดินสมาธินี่นเองแทนที่จะนั่งสมาธิเราก็ใช้เรียบบทเดินเดินสมาธิแทนที่จะนั่งแทนที่จะนั่งพุทโธพุทโธพุทโธเราก็เดินพุทโธพุทโธไปเดินไปจนกรั่งรู้สึกว่าไม่ง่วงแล้วเราค่อยกลับมานั่งสมาธิต่อสลับทํากันไปอย่างนี้นั่งสมาธิไปสลับกับการเดินจงกรมไป ด้วยการมีสติควบคุมใจตลอดเวลาถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะเกิดความสุขใจที่เป็นความสุขที่เหนือกับความสุขจากการเสพ ร, ราบยศสรรเสริญ จ, จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะทำให้ความอยากที่จะกลับไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เบาบางลงอ่อนกาลังลง แต่ก็ยังไม่หมดเพราะว่าความสงบนี้มันสงบเพียงเป็นครั้งเป็นคราวเวลาเข้าสมาธิความสงบก็เกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นความความความคิดที่อยากจะไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญก็ก็ไม่มีหรือเบาลงแต่เวลาออกจากสมาธิมาถ้าเผลอไม่ได้เจริญสติไม่ได้ควบคุมใจเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงลาบยศสารเสริญถึงรูปเสียงกลิ่นรสอีกแล้วถ้าไม่ระมัดระวัง ปล่อยให้มันคิดไปมากๆขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะฉุดลากให้เรากลับไปหาความสุขจากราบยศเสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆได้ mm hmm. การนั่งสมาธิการเจริญสตินี้การทำใจให้สงบด้วยสตินี้ไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆได้ mm hmm. วิธีเย็ดกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี้ต้องอาศัยวิธีของปัญญา mm hmm. ปัญญาจะสอนให้เราเห็นโทษของของความอยาก ว่าเวลาเราอยากนี้ความอยากนี้จะทําให้ใจเราวุ่นวายทําให้ใจเราไม่มีความสุข <c oughs> เวลาออกจากสมาธิมานิ จ, จิตสงบนิ่งเย็นสบายพอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บใจเริ่มน้อยขึ้นมาทันที <c oughs> เริ่มไม่สบายใจขึ้นมาทันทีต้องเห็นโทษของความอยากที่ปรากฏขึ้นในใจว่ามันจะทําให้ใจทุกข์เนืแล้วต้องเห็นโทษของสิ่งที่อยากได้ว่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นเป็นมันมันเป็นทุกข์เหมือนกัน เพราะว่ามันของไม่เที่ยงเวลาได้มาใหม่ๆมันอาจจะให้ความสุขกับเราแต่พอได้มาแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์เพราะว่าเราจะต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับการที่เราอาจจะต้องสูญเสียเวลาที่มันจากเราไปไม่ช้าก็เร็วสิ่งใดก็ตามที่เราได้มานี้มันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันไปเมื่อเกิดการพัดภาคจากกันไปก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมา นี่คือปัญญาให้เห็นว่าการมีความอยากในใจนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจร้อน จ, จําใจทำให้ใจไม่มีความสุขแล้วการที่จะไปเอาความสุขจากสิ่งภายนอกมาดับความสุขดับความทุกข์ทางใจมันไม่ได้ดับมันดับได้ชั่วคราวช่วงใหม่ๆเวลาได้สิ่งที่เราชอบเราอยากได้เราก็มีความสุขแต่สักพักหนึ่งความสุขนั้นก็จางหายไปความทุกข์ที่มีในใจก็กลับขึ้นมาใหม่ งั้นอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้คืออย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆให้ใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากด้วยการเห็นโทษของความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาในใจก็เหมือนจุดไฟเผาใจขึ้นมาทําให้ใจร้อนขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ไปอยากได้มาให้ความสุขกับใจก็เป็นความสุขชั่อข่าวเวลามันหมดไปมันก็ทําให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีก เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้มีแต่จะนำความทุกข์มาให้กับใจต่อไปใจก็ไม่กล้าอยากอีกต่อไปเวลานึกถึงความอยากก็กลัวความอยากขึ้นมาไม่กล้าไปทำตามความอยากเมื่อไม่ไปทำตามความอยากต่อไปความอยากที่มีอยู่ในใจก็จะหายหมดไปความอยากที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลภาพความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศฉลสสุขก็จะหมดไปเมื่อหมดไป ก็เวลาร่างกายนี the so the the the the ้ตายไปแล้วใจก็ไม่มีอะไรที่จะมาดึงให้กลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะใจไม่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆแล้วเมื่อไม่ไม่ต้องการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องมีร่างกายก็จะไม่กลับมาเกิดอีกร่างกายนี้จะเป็นร่างกายสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจ ก็จะอยู่เฉยๆอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เรียกว่านิพพานังบาลังสุขขังเป็นความสุขของพระนิพานพานพระนิพพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากที่ได้ถูกกําจัดด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามาตามลําดับศีลก็ระงับระงับความอยากไว้ด้วยการห้ามครามสมาธิก็หยุดความอยากด้วยการทําใจให้นิ่งปัญญาก็สอนใจให้เห็นด้วย เหตุด้วยผลว่าการมีความอยากนี้หรือการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขถ้ากำจัดความอยากได้ไม่ไม่สร้างความอยากขึ้นมาได้ใจก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเมื่อใจไม่มีความอยากมาสร้างความทุกข์ใจใจก็จะสงบมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมเป็นความสุขที่แท้จริงถาวรที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเพราะนี่คือธรรมชาติของใจ ใจที่ไม่มีความอยากนี้จะเป็นใจที่มีแต่ความสุขถ้าใจที่ยังมีความอยากนี้จะเป็นใจที่มีแต่ความทุกข์ดังนั้นปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของใจท่านั้นที่เราจะต้องกำจัดสิ่งที่จะมากำจัดความอยากของใจได้ก็คือคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นเองจึงเป็นเหตุที่ว่าทาไมเราจึงต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ทาไมเราจะต้องมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วทำไมเราจ้อต้องมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพราะถ้าเรามีทั้งสามสิ่งนี้แล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติกําจัดความทุกข์ต่างๆคือต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เพอเหตุที่ทําให้ใจของเราทุกข์เหตุที่พาให้มาม า, มาวีนว่ายตายเกิดถูกกําจัดไปหมดแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะไม่มีวันมาเกิดใหม่อีกต่อไปใจก็จะ วิบุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทุกเยี่ยมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น mm hmm. นี่แหละคือเรื่องของโอกาสทองอันวิเศษที่นานๆจะเกิดขึ้นกับพวกเราสักครั้งหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสทองนี้แล้วอย่าปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดมือไปรีบเอารีบฉวยโอกาสรีบเข้ามาศึกษารีบเข้ามาปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรายิ่งได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาก mm hmm. ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เร็ว ถ้าศึกษาน้อยปฏิบัติน้อยก็จะบรรลุทํามได้ช้าอาจจะไม่ทันการกับชีวิตของเราก็ได้ถ้าเราปฏิบัติแบบเชื่องชา้าปฏิบัติแบบไม่เต็มที่เราอาจจะตายไปก่อนที่เราจะสาเร็จก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทจงเห็นภัยของสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีวันดับได้ทุกเวลานาทีในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่เรายังศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ให้รีบมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเสียเถอะ แล้เราจะได้ไม่ผิดหวังเราจะได้ไม่เสียโอกาสทองวันนี้ไปนี่ก็คือเรื่องราวของโอกาสทองของชีวิตที่นำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตจินังเปตานังอุปกาปติ ยิชิตังปฏทิตังตุ้งหางคิดว่าเมวาสมเมจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนะราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิติโอวิวัจจันตุสัพพโลกวินสศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ผู้ติดตามจากทางเฟซบุ๊กสามร้อยสี่สิบยู u ูบสามร้อยสาสิทดทางวิทยุออนไลน์16ทาง c l ับ h o u s e 3ผู้รับฟังนาคุติหนึ่งรอยแปดสิบท่านรวมทั้งหมด9 2้ารอยิบค่ะ Uh, would you like to ask a question? Um, dear e n e r a b l e u um, I have a question about. Um, I used to practice in the Samatha in the yogic tradition, and then for some time I lost a bit the practice. And the last year, for almost a year, I was doing intensive practice in the dry vipassana kind of style. Um, and after that, I felt like it was very helpful for me in many ways. However, I didn't feel like I could come to. My concentration dropped. I felt like I couldn't come to states where I would feel more peaceful and happy and more. So I've tried in the last two months to come back to try to practice more in the Samatha Vipassana um, tradition. But I found that my mind has the habit now to to note. Like I was practicing in Mahasi uh, specifically recently, and I don't know how. I'm having difficulty to stay with one object, uh, the breath, at the moment. I notice that my mind has the habit to just note when there is like a physical sensation or something arising, maybe mental or physical, and just has the tendency to just observe. And then I find myself. Difficult to stay on one object, and I would like to ask for your advice. Well, you have to try. That's all. You have to force yourself to stay with one one object. If you don't, then there's nothing you, you can do. No one can do anything for you. It's yourself. Yeah. We have to do it. Just focus on breathing or focus on a mantra. Practice using mantra all day long. From the time you get up, you start reciting bhuto t bhuto bhuto t and stay with bhuto t bhuto, t and eventually you l l stop noting, stop you know, thinking. But it doesn't happen right away; it might take a while. Changing a habit is, is not easy, yeah. but if you persist, sooner or later you will then succeed. I think I was reading in—I don't remember if it was in your book or in one of the d h a m a talks where you were mentioning that sometimes we can just note briefly off, oh, there is thinking, and then come back to the main object. So my, I would like to ask also: then, do you think in my case, because I have the tendency to too much note, should I also not do this at all? Like whatever arises, completely ignore it, or is that okay to sometimes have a small? Um, as long as you can come back to your mantra, that's okay. That's the purpose: is to stay with your mantra. When you leave the mantra, then you have to recognize that you are not with your mantra. Then you come back to the mantra. Or stay with the mantra, not just keep nodding, nodding, and never come back to the, the the mantra. Then it's useless. Thank you. q u ถา t จาก from the listener n ทารกในคันมีอายุกี่เดือนวิญญาณถึงจะมาครอบครองร่างกายได้เจ้าคะไม่รู้นะตามความเข้าใจที่ว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเลยพอมีการปฏิสนธิขึ้นมาก็ถือว่าวิญญาณได้เข้ามาครอบครองนะคำถามต่อไปจากคุณคุณสนแจ้งคะ่ะขอกราบเรียนพระอาจารย์เรื่องคุณเดวิดที่เคยใส่บาตรท่านที่บ้านอำเภอได้เสียชีวิตแล้วคะ่ะจำไม่ได้คนไหนกันมนะื้ง การทำให้ไปสู่สุขคติก็แล้วกันคำถามต่อไปค่ะเมื่อนั่งสมาธิแล้วกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเห็นว่าร่างกายทุกข์ก็แค่รู้แค่ดูเห็นร่างกายสุขก็รู้ก็ดูจนการได้ยินหายไปเหลือแต่พุทโธก็แค่รู้แค่ดูจนพุทโธหายไปแล้วเกิดสภาวะดับมืดสนิทไม่มีสิ่งใดเมื่อดูไปสักพักเกิดความกลัว จิตจึงดิ้นรนอยากทราบว่าคนทําอย่างไรต่อไปครับคนจะรู้เฉยๆการเริ่มต้นมาก็รู้อยู่แล้วก็รู้อย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้รู้เฉยๆไปไม่ต้องให้เกิดความกลัวขึ้นมา mm hmm. เกิดความกลัวแสดงว่าเราไม่มีสติที่จะรู้แล้วเราถูกกิเลสดึงไปให้กลัวแล้วก็ดึงกลับมาให้รู้เฉย ๆ, ๆไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องรักไม่ต้องชังไม่ต้องกลัวอะไร ให้รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏให้รู้ถ้ารู้เฉยๆได้จิตก็ปลอดภัยไม่มีอะไรจะมาทำให้จิตทุกข์ได้ถ้าจิตเฉยๆแต่ถ้าจิตเริ่มมีความรักความชางังความกลัวแล้วจิตก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นมาคำถามจากทางยู u b e ค่ะโยมขอคาแนะนำเนื่องจากโยมไม่มีบุตรหลานและอายุเริ่มมากขึ้นแล้ว โยมเก็บอัฐิของคุณพ่อคุณแม่ไว้บูชาในบ้านโยมควรดําเนินการอย่างไรดีคะไม่ต้องดําเนินการอะไรก็เคยบูชาก็บูชาต่อไปตายไปคนหนึ่งเขาจะบูชาหรือไม่ก็เรื่องของเขาเขาไม่บูชาก็าจะไปลอยอังคารหรือเขาจะไปฝังดินก็ปเป็นเรื่องของเขาแต่ตอนนี้เรายังอยู่เราเคยบูชาเราก็บูชาต่อไปไม่ต้องไปกังวลคําถามจากทางอินบ็อกซ์ของเมื่อวานค่ะ แม่มีอารมณ์รุนแรงมากชอบด่าทอขึ้นเสียงโกรธง่ายผมทำหน้าที่ลูกเต็มที่แล้วเป็นแจวรับใช้ไม่เถียงให้เงินแม่แต่อยากให้แม่ตายเร็วๆผมควรใช้ปัญญาอย่างไรครับอยากให้แม่ตายเร็วๆก็ปัญญาก็บอกว่าไปอยากไม่ได้อยากเราก็ทุกแล้วก็ความอยากคิดให้คนอื่นตายนี่เป็นความคิดที่ไม่ดี อาจจะไปทําให้เ้าตายได้เราจะต้องไปตกนรกแทนที่จะไปสวรรค์จากการเลี้ยงดูแลแม่ก็กลับไปฆ่าแม่เสียก็จะไปตกนรกงั้นวิธีทีจ่จะอยู่กับแม่ได้อย่างมีความสุขก็คือให้คิดว่าแม่เวลาแม่พูดอะไรก็เป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องก็แล้วกันเสียงฟ้ามันร้องเราห้ามฟ้าไม่ได้มันจะร้องดังร้องค่อยก็เป็นเรื่องของฟ้าไปทำํำแม่ก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศอย่างหนึ่ง น่าจะส่งเสีย ง, อ ง, อยงร้องยังไงก็ปล่อยท่านร้องไปอย่าไปอยากให้ท่านไม่ร้องอย่าไปอยากให้ท่านพูดดีๆเพราะว่าเราห้ามท่านไม่ได้สั่งท่านไม่ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศเหมือนฟ้าร้องเราไปสั่งให้มันไม่ร้องไม่ได้ฉันใดเราก็ไปสั่งให้แม่ไม่ร้องไม่ได้ก็ปล่อยให้แม่ร้องไปตามตามสบายของท่านไปเราอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดแล้วเฉยๆไปท่านเองก็จบคาถามจากทาง facebook ค่ะจากคุณพัิน หากเราเพียรปฏิบัติและอธิษฐานจิตเพื่อเป็นสาวกของพระศาสดาเพื่อสืบทอดเผยแผ่ทำนุบำรุงพระศาสนาในอน า, อนาคตชาติเราอธิษฐานจิตแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเช่นไรจะมีผลเช่นไรเราไปอธิษฐานเพื่อชาติหน้าไม่ได้หละเราอธิษฐานได้เ ช, า, ชาตินี้ชาตนี้เรารีบศึกษารีบปฏิบัติแล้ว ร, รีบช่วยพร ะ, พระศาสดาเผยแผ่ในชาตินี้ดีกว่า พราชาหน้าเราไม่รู้เราจะเกิดมาแล้วเจอพระศาสดาหรือเปล่าเจอศาสนาหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นทําในสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้อย่าไปคิดถึงชาติหน้าภพหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเ อ, อคุณท็อปถามว่าเราบริกรรมพุทโธเป็นภาษาอีสานสำเนียงอีสานได้ไหมครับได้ภาษาไหนสำเนียงไหนก็ได้ คำถามจากคุณชัยสรรการอดนอนผ่อนอาหารจะช่วยให้การปฏิบัติดีขึ้นไหมครับถ้าถูกจริญกับเรก็ดีขึ้นเพราะจะทําให้เราไม่เสียเวลากับหมดกับการหลับนอนกับการกินหมดแล้วค่ ะ, ะการไม่นอนได้ก็แสดงว่าเราจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเมื่อปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นผลก็จะได้เกิดขึ้นเร็วขึ้นมากขึ้นตามลําดับ เพรผู้ปฏิบัติบางทีก็ใช้วิธีการอดนอนถือสามีเดียบ ท, ที่เรียกว่าเนสัตชิกถืออยู่แต่ในอเรียเบทนั่งเดินกับยืนจะไม่เอนหลังลงไปไม่นอนเพราะถ้านอนแล้วมันจะหลับยาวหลับนานถ้าจะหลับในท่านั่งก็หลับได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็สามารถปฏิบัติต่อได้เลยคําถามจากคุณคมข่ำค่ะ การภาวนาสู่การปล่อยวางควรทําอย่างไรคะก็เริ่มต้นที่สติให้พุโทโธพุโทโธแล้วเลิกถึงพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนแล้วจิตสงบพอจิตสงบจีก็จะปล่อยวางได้ชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นถ้าเรามีความชํานาญในการปล่อยวางด้วยสติแล้วขั้นต่อไปเราก็มาสอนใจให้ปล่อยวางด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราไปยึดไปติดเป็นของไม่เที่ยงเรายึด เราสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้วันใดวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรายึดเราติดเราก็จะทุกข์คำถามจากคุณนันทพรค่ะขอโอกาสค่ะบทสวดโภชคงใช้บทสวดของพระพุทธเจ้าไหมคะก็มาจากพระไตรปิฎกก็ใช่ทั้งนั้นแหละยังไม่มีค่ะไม่มีคาถาม สิ่งที่เขาคัดออกมาจากว่าไตใบดยกนี้ก็เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเองมีใครอยากจะถามอีกไหมมีคำถามขอเชิญถามได้มีคำถามจากคุณใบหยกค่ะณปัจจุบันลูกจะทำความจัดท้าความร้อนของใจจะแพ้อขอนะโทษค่ะณปัจจุบัน หอยครั้งนะคะณนะปัจจุบันลูกจะทำความร้อนของใจจะเกิดขึ้นเองในนี้ละก็จะรู้ทันลูกก็จะบริกรรมพอสงบลูกก็จะถามตัวเองว่าร้อนทำไมอ้อเพราะใจอยากตอบโต้อยากเอาชนะชนะแล้วได้อะไรใจจะตอบว่าความร้อนกว่าเดิมนั้นจงปล่อยผ่าน เพื่อใจจะเย็นจะเฉยผ่านและเบาถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วใช้สูตรสามยอยอมหยุดเย็นยอมแพ้แล้วก็อย่าไปต่อสู้เขาหยุดการต่อสู้แล้วใจเราก็จะเย็นคำถามจากคุณวชิรพจน์ค่ะเวลาผมใส่บาตรเสร็จแล้วผมเรียนให้พระคุณเจ้าว่าไม่ต้องให้พรก็ได้ครับผมอย่างนี้เสียมารยาทไหมครับ ก็แล้วแต่เขาให้อะไรเราถ้าเป็นของดีก็ควรจะรับไว้อย่าไปปฏิเสธค่ะคำถามจากคุณนีออนค่ะการกวาดตาดกวาดทางจงกรมเห็นมแมลงตัวเล็กๆหรือมดทําอย่างไรกลัวเขาจะตายแล้วจะบาปครับก็ข้ามไปเลยตรงไหนมีมดมีมแมลงเราก็ข้ามไปก่อนกวาดตรงในส่วนที่ไม่มีมดไม่มีมแมลง คำถามจากคุณชัยสรรค์ค่ะการเจริญสติและการเจริญปัญญาต่างกันอย่างไรครับการเจริญสตินี้ทําใจให้นิ่งไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้การปราัญญาการเจริญปัญญาให้คิดถึงหลักความเป็นจริงว่าทุกเกิดจากความอยากถ้าอยากจะให้ทุกหายไปก็ต้องหยุดความอยากใช้เหตุใช้ผลใช้ตรกกะก็จะเป็นปัญญาใช้การเพ่งให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็เป็นสติ คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะไม่กี่วันมานี้โยมได้เข้าสมาธิสามชั่วโมงเพื่อกำหนดจิตระลึกชาติกับครูฝรั่งโยมได้เข้าไปเห็นอดีตว่าเคยบวชเป็นพระมาหลายชาติสิ่งที่ครูฝรั่งพาไปพบเห็นนั่นจริงหรือไม่คะหรือเป็นแค่จิตใต้สมนึกโยงเสียเงินไป6กพันเพื่อทดลองประสบการณ์นี้ค่ะอา้าวคุณเป็นคนไปแล้วมาถามเราได้ยังไง คือการละเลิกชาติได้นี้มันไม่ใด้เป็นไปได้ทุกคนไม่ไม่ใช่ใครอยากจะละเลิกชาติได้ก็จะไปเรียนได้มันเป็นเรื่องของวาสนาบารมีที่ติดตัวมาถ้าไม่มีจะไปละเลิกใจไปจนวันตายก็ละเลิกไม่ได้มันอย่าไปใช้ความสาคัญกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมันผ่านไปแล้วให้สนใจกับปัจจุบันดีกว่าว่าตอนนี้ใจเราสุขหรือทุกข์ใจเราสงบหรือไม่สงบตอนนี้ก็พอ ถ้าทุกข์ก็ทำให้มันหายทุกข์ถ้ามันไม่สงบก็ทำให้มันสงบเท่านั้นก็พอคำถามจากคุณคมขำค่ะการพิจารณากายต้องทำอย่างไรคะก็มีหลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบหนึ่งก็พิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนิจจ์อีกรูปพิจารณาว่ามันไม่สวยงามก็ต้องดูอาการสามสิบสองของร่างกายนอกจาก ของที่เราเห็นภายนอกแล้วภายใต้ผิวหนังก็ยังมีอาการต่างๆอยู่เราก็ต้องเจาะลึกเข้าไปข้างในให้เห็นปอดเห็นตับเห็นไตหเห็นลำไส้อะไรต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่าร่างกายของคนนี้ไม่สวยงามเลยมันมีมีหลายหลา ย, หลายแบบด้วยกันที่เราจะต้องเห็นร่างกายแล้วก็เห็นว่าไม่มีตัวตนร่างกายนี้เป็นแค่ดินน้ำนมไฟตายไปก็กลับคืนสู่สภาพเดิมของเขากลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟไป กายในกายคืออะไรครับก็นี่ยแหละพิจารณากายก็เรียกว่ากายในกายคําถามจากคุณวุฒิชัยค่ะผมอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งไม่มีกําหนดสึกสมควรบวชที่ไหนดีครับก็เหมือนกับไปซื้อรถยนต์คุณก็ไปทดลองหรือรถคันไหนดีสําหรับคุณคุณก็ไปก็ไปซื้อรถคันนั้นก็แล้วกันบวชที่ไหนดีคุณก็ต้องไปทดสอบดู คำถามจากคุณใบยก ค, ค่ะผลของการที่ลูกปฏิบัติคือจิตใจเบาสบายกว่าแต่ก่อนและอีกสิ่งหนึ่งที่ได้คือความกลัวลดลงมากเจ้าค่ะแต่ก่อนเจองูทั้งที่อยู่ไกลก็ยังกลัวแต่ปัจจุบันเจอตรงเท้าก็ยังนิ่งเฉยอยู่เพราะทราบว่าเขาจะไม่มาทำร้ายเรา เหตุที่จิตใจลูกเป็นแบบนี้เกิดจากการนำคำสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัติและลูกปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรเจ้าคะขอพระอาจารย์ชี้แนะลูกด้วยเจ้าคะ่ะก็ถูกต้องแล้วล่ะถ้าใจนิ่งเฉยได้มากขึ้นความกลัวลดน้อยลงก็ปฏิบัติถูกทางแล้วคำถามจากคุณเวทิสาค่ะถ้าอยากเริ่มศึกษาพระไตรปิฎก ค, ควรเริ่มจากหมวดไหนคะ ก็ศึกษาพระสูตรสําคัญ4ีหพระสูตรด้วยกันคือ1ธรรมจักกับวัตตนสูตรสองมงคลลสูตรสามอนัตตลกนัสูตรสสติปฐานสูตรและ5อาทิตตปริยาญสูตรหสูตรนี้ก็เหลือกินนะแล้วเอาไปปฏิบัติให้ได้ตามพระสูตรที่สอนให้ปฏิบัติเช่นมงคลสูตรมงคล38ข้อ เป็นให้เลือกคบคนคบคนดีคบคนฉลาดอย่าคบคนโง่คบคนไม่ไม่ฉลาดเป็นต้นแล้วไปปฏิบัติตามให้ได้หมดแล้วเลยอถ้าหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด